พระธรรมเทศนาแผ่นที่94ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคาน้อยจังหวัดอุดรธา น, านีแสดงธรรมในวันที่13กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าหลวงพ่อขอชูสมนิ้วเออพ อ, อพ อ, ออยู่ไหนเลยวะ เอาพออาทิตย์นี่นะปัจจัยจํานวนที่ยังเหลืออยู่นะที่ว่าเจ็ดแสนนะเนะี่จะให้พ อ, ออเป็นตัวแทนพออาทิตเป็นตัวแทนมอบให้พอโรองเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาเออ ย, ยอดนี้เจ็ดเจ็ดแสนนะมอบให้ในบันนี้นะมัดในวันนี้นะโอนโอนเข้าก่อนเลย 8 แ, แสนบันเอกโอนตเอาม้อไผ่มือเอเก7แสนลงพอก็บอมั่นใจให้พอโอทิศเป็นผู้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะถ้าหากว่ามันขาดตกบกพร่องในพอโอทิศเนี่ยรับผิดชอบเนีพอออทิ ศ, นะรทศโรงเรียนบ้านน้องเอี่ยนดงนะเอาต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอในตะานีนคนะคณะจทายาิโยมวันนี้เป็นวัน นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2559อคณะครูบาอาจารย์โรงเรียนหนองสูงสามคีวิทยาได้ทำพิธีทําบุญส่งมอบโรงอาหารโรงอาหารรวมน้ำใจ4ี่สปีนอววอ หลวงพ่ออินถวายชันตุจโกอุปถัมภ์วันพุทธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2559นะแล้วก็มีนักเรียนไม่ได้บอกจำนวนนักเรียนนะเน่ก็วันนี้ก็ได้ทำพิธีพระสงฆ์มาร่วมงานทั้งหมดที่โคศกได้พูดเมื่อกี้เนี่ย54องค์คะ พระสงฆ์หรูปที่มาร่วมงานในวันนี้และก็มีท่านในอำเภ อ, เอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการาหลายๆทุกหมู่เหล่าได้มารวมมารวมกันามาแสดงออกซึ่งความพร้อมเพียงสามัคคีได้มอบอาคารหลังนี้ให้กับลูกหลานโรงเรียนหนองหนองสูงสามัคคีวิทยา นี่แหละอันนี้ความเป็นมาของอาคารโคศกได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้วแหละแต่ตามไม่จริงอาคารหลังนี้ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อาจารย์บานเย็นที่อยู่ในโรงเรียนกัพ อ, อกได้ปรับรบกับหลวงพ่อว่าอาคารเด็กนักเรียนนักเรียนมากขึ้นแต่อาคารที่ที่จะเลี้ยงเด็กนี่นะรู้สึกว่าทรุดโทรมลงมาก เวลาเด็กนักเรียนเลิกเรียนตอนเที่ยงพร้อมกันลงมาี่้ก็ไม่รู้ว่าเด็กนักเรียนจะหาที่นั่งก็ไม่มีเพราะว่าอาคารมันมันเป็นยังเป็นวงสังกสีอยู่เพราะนั้นอยากจะได้อาคารเขาไปพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามราคาเท่าไหร่โอ้ก็หลายล้านอยู่หลวงพ่อก็เออไม่แต่เออเออเพราเออพ่อเหตุไร เพราะหลวงพ่อมีที่จะสร้างอยู่ที่วัดหลวงพ่ออยู่นะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้พูดว่าจะตุก ป, ปใจที่จะมอบให้กับผู้ใดในวัดของเรามีความจำเป็นอยู่เพราะนั้นหลวงพ่อเลยสร้างอาคารที่หลังนอกนะั่นหมดไป10บกว่าล้านนะลูกหลานนะหลังนั้นนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงรับไว้เพียงแต่เออเออแต่พออาคารหลังนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะ เหมือนกับต้นผักหวานนะพวกเราไปเก็บผักหวานคงจะรู้นะถ้าหากว่ามันเราเก็บอยู่นะมันก็ป่งไม่ทันใช่ไหมบ่งยอดไม่ทันถอนยอดไม่ทันนะเราจะไปเก็บได้ยังไงใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องรอซะก่อนนะในเมื่อ ม, มันมียอดขึ้นมาพร้อมที่จะเก็บผักหวานได้เราก็พร้อมที่จะให้แบ่ให้ใครได้นี้ก็เหมือนกันนั่นแหละหลวงพ่อไม่ใช่เงินถงุงเงินถัง ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ผู้ปั๊มธนาบัตรได้ถ้าหากว่าศรัท ธ, ธาญาติโยมถวายม า, าที่เราจะได้ใช้โย เ, เราก็ต้องเอาไปใช้จุดนั้นก่อนถ้าว่ามันพอที่ที่จะแบ่งปันได้หลวงพ่อก็แบ่งปันออกม า, าตามที่มันจเป็นที่ว่าเห็นว่าเหมาะสมอาคารเรียนนองสูงของเราก็เหมือนกันแต่สมัยนั้นหลวงพ่อก็เอเ อ, เอพอมาช่วงหลังหลวงพ่อก็ยังขาดอยู่เท่าไหร่ ที่จะสร้างได้เนี่ยเอ่อถ้ามันขาดเยอะเท่าไหร่เขาบอมีทุนอยู่แต่ว่ายัางไม่พอเอ่อถ้าหาว่าได้อีกประมาณล้านห้าจะพอครับหลวงพอ่อดูกระเป๋าตัวเองน่าจะได้ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าให้กับโรงเรียนนองสูงนะนั่นไม่น่ามีปัญหาหลวงพอ่อเออเอาตกลงเอาได้นะลูกหลานนะ่ะสร้างเลยลงมือได้เลยถ้าเพียงถ้าล้านหานะเนี่ยแหละหลวงพ่อก็รับป่กพอรับป่านะก็หลวงพ่อก็อ คอสร้างขึ้นมาเขาก็โอนมายอดแรกนะอ8 8แสนอพอมาคราวนี้อีกบอกว่ า, วาอาคารเสร็จแล้วครับหลวงพอนะ่อหลวงพ่อเอาเสร็จแล้วก็แล้วจํานวน7แสนก่อนแล้วไปนะโอ้ไม่ได้ <c oughs> อา้าวหลวงพ่อคิดว่ามันมันอาคารจบแล้วมันก็จบไปเลยใช่ไหมล่ะอโอ้ไม่ได้หลวงพ่อมันยังเป็นดีอยู่เหมอนกัน ต้องขอจากหลวงพ่ออีกจำนวนครบจำนวนนั้นแหละเออเอาถ้ายงนั้นก็ได้นะเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้มามอบให้วันนี้นะมอบเป็นราบมาให้ให้พ่อออุทิตพ่ออโรงเรียนบ้านน้องเอี่ยนดงกับมอบให้พ่ออโรงเรียนน้องสูงวิทยาของเรานี่แหละในวันนี้อย่างพวกเราท่านทางรายได้เห็นจำนวนเจ็ด0 0บาทนะ้าเป็นนั้นว่าสิ้นสุดกัน แต่ของหลวงพ่อมาเห็นอาคารแล้วก็โอเออออาเหมาะสมสวยงามออให้ลูกให้หลานเพื่อเป็นสนาราศีของโรงเรียนของพวกเราถ้าเมื่อเด็กนักเรียนพักเที่ยงออลงมาก็ได้มาทานอาหารแต่คงจะนั่งไม่หมดหลวงพ่อว่านะนักเรียนถึง78900คนคงจะนั่งได้ประมาณสัก4ี่ห้าคนแต่ไม่เป็นไรหมุนเวียนกันนะ หมุนเวียนกันทานอาหารแต่ถึงยังไงก็ดูแล้วก็เป็นสัดส่วนดีนี่แหละอันนี้ก็คือจะตกปัจจัยพวกเราท่านทั้งหลายได้มารวมมารวมกันแต่หลวงพ่อเองจะตกปัจจัยที่ได้มาก็ไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อไปหาลับจ้างที่ไหนเป็นปัจจัยของคณาจารธาญาติโยมทุกหมูทุกเหล่าเอาไปถวายคนละมากคนละน้อยหลวงพ่อก็ได้เก็บจ ะ, จะตกปัจจัยเหล่านั้นแหละ มาเพื่อเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังควรจะให้กับพระวัดวาศาสนาไม้หรือว่าให้ศรัทธาญาติโยมหรือให้โรงพยาบาลแต่หลวงพ่อก็ทั้งไหวพระหลวงพ่อก็ให้ไปมากเหมือนกันนะสร้างอาคารสร้างศาลาแล้วก็โรงพยาบาลก็ให้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อาคารเด็กนักเรียนก็ให้กับโรงเรียนนะั่ แต่ไม่ให้ไม่ใช่ว่าให้แต่หลวงพ่อให้นะหลวงพ่อยังชักชวนคนอื่นอีกต่างหากนะอย่างวันนี้แหละ เ, เมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อเขาคงจะไปกราบคารวะวัดหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาณนาะไปกราบเจดีย์ของท่านจากนั้นก็ไปแสดงคารวะเจดีย์อ JD ของคุณแม่ชีแก้วนะจากนั้นหลวงพ่อจะคงจะนั่งรถขึ้นไปนู่นนะแต่ยังไม่ถึงวัดนะพ อ, อไปถึง เน้องบัวลำพูจังหวัดน้องบัวลำพูหลวงพ่อจะไปแพะไปแวะพักที่นั่นก่อนคืนนี้นะพรุ่งนี้เช้าจะไปฉันยุจังหันอยู่ที่สัทธาญาติโยมขอถวายที่เขาเทําบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็วันเกิดของท่านญาติโยมอุปถ ร, รมประทัะกเก่าแก่อุบาจารย์เรานั่นแหละพอฉันจะขันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะจะไปอำเภอน้ำโสมถึใกล้ๆวัดหลวงพ่อนั่นแหละ ไปที่นั่นจะได้ไปเปิดโรงเรียนอีกนะไปมอบโรงเรียนอีกโรงเรียนหลังหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมอบวันพรุ่งนี้แหละประมาณบ่ายสองโมงฮนะ อ, อ, อันนี้ราคาตึก อ, อ, อาคารหลังนีนะ้มันกับเป็นโรงเรียนของตำบลของเขาโคลโคโศใันนะ่เขาสร้างมาตั้ง 3-40 ปีเป็นอาคารไม้นะ แต่นี่ขึ้นไปสอนชั้นบนก็ไม่ได้เพราะไม้มันจะหล่นทับเด็กไงเขาก็ลงมาสอนข้างล่าง เ, เพราะนั้นเขาก็มาเข้ามาขอหลวง พ, องพอ่อหลวงพ่อเออเอารับไว้นะถ้าพวกเรามีวาสนาคงจะได้จากนั้นหลวงพ่อก็มองมองซ้ายมองขวาเหลือบหน้าเหลือบหลังกันหาผู้ที่จะมาร่วมมาช่วยมาช่วยลูกหลานนะก็มองไปเห็นนี่นะบริษัท เอเชียโกลเด้นไลท์ light, ที่ส่งข้าวไปขายต่างประเทศนะแต่เป็นบริษัทใหญ่หลวงพ่อก็รู้จักมักคุ้นกับเจ้าของของท่านพอสมควรเพราะเป็นลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตามหาบัวนะที่เขาถวายเงินร้อยล้านเพื่อสร้างเจงดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตานี่คือนี่แหละหลวงพ่อก็มองเอ อ, เ อ, อคุณยมอมเราก็ได้เงินจากพี่น้องประชาชนเกษตรกรรม ได้ข้าวมาแล้วก็ขายไปส่งหกไปต่างประเทศก็ได้มีได้ความร่ำรวยขึ้นมาเพราะพี่น้องเกษตรกรรมเพราะนั้นเราคืนให้กับเขาสักหน่อยได้ไหมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะคืนให้เขาให้เกษตรกรรมสักหน่อยได้ไหมเท่าไหรอาจารย์หลงพ่อก็ให้สร้างอาคารเรียนนะ่นี่แดห้องเรียนข้างบนข้างล่างข้างล่างสี่ข้างบนสี่ ถ้าคิดเป็นเงินออกมาก็ไม่รู้เท่าไหร่เอ้พูดพูดกับบริษัทก็แล้วกันแต่นั้นเขาก็เลยมาพูดกับบริษัทตกลงกันก็ประมาณ 4, 000, 000าสี่ล้านกว่าเนี่ยสี่ล้านห้าหรือสี่ล้านหกนี่แหละแต่นี้มารวมเข้าอี้เข้าไปอีกสามแสนกว่ารวมกันแล้วก็ประมาณจะห้าล้านอาคารหลังนี้นะที่จะเปิดวันพรุ่งนี้วันวันที่สิบสี่เน่ยตอนบ่ายสองโงเพราะนั้นหลวงพ่อกับคงจะได้ไป เปิดอาคารเรียนหลังนี่ยนะไปส่งมอบอาคารเรียนกับเจ้าภาพทั้งสองนะ่ะหลวงพ่อก็เป็นผู้รู้จักมักคุ้นกับผู้มีศรัทธามาจากกรุงเทพแล้วก็มอบให้กับโรงเรียนลูกหลานอำเภอบ้านหัวช้างอำเภอน้ําโสงจังหวัดอุดรธานีของเรานี่ยแหละนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อไม่ได้มองไม่ได้ปล่อยไม่ได้มองข้ามในการศึกษาของลูกของหลานไม่ได้มองข้าม ในการเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่น้องประชาชนอย่างวันวานวันก่อนหลวงพ่อก็ได้มาเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธแล้วก็เมื่อไม่นานวันนี้ก็ได้มาไปชมอีกเพื่อหาทุนดูแลพระสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นนั่นแหะขนาดหลวงพ่ออยู่ในป่าโรงพงไผ่หลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้าม ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะธรร า, าญาติโยมลูกหลานที่เป็นแต่รับการโรงเรียนการศึกษาและการพยาบาลเพราะนั้นหลวงพ่อเขาถามว่าหลวงพ่อจะให้การสนับสนุนในชุมชนในหลวงพ่อจะให้การสนับสนุนเน้นไปทางไหนหลวงพ่อยกนิ้วสองนิ้วขึ้นเหมือนกับริบโพวิตัน้นอย่างนั้นแหละหลวงพ่อบอกว่าโรงเรียนก็จําเป็นโรงพยาบาลก็จําเป็น และอีกตัวนี้หลวงพ่อยกสามนิ้วคนอีกคือวัดวาศาสนาก็จําเป็นวัดก่อนหลวงพ่อให้มาหลายสลาหลายหลังแล้วแล้วก็โรงพยาบาลก็ช่วยแล้วก็โรงเรียนก็ช่วยถ้าหากว่าคนในชาติเกิดมาแล้วไม่ได้รับการศึกษาที่ดีอาคารไม่ดีครูไม่ได้มีที่สอนไม่มีเป็นไม่เป็นสงาราศีของประเทศชาติ ลูกหลานเกิดมาแล้วโง่เง่าเต่าตุงจะพัฒนาประเทศชาติไปได้อย่างไรหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษานี่เมื่อเด็กของเราได้รับการศึกษาดีเราจะพัฒนาประเทศชาติก็ไปได้ดีในเมื่อทุกคนอยู่ในประเทศชาติของเรามีโอกาสที่จะเจ็บไข้ที่ป่วยทุกคนเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็จําเป็นเพราะนั้นเรื่องเครื่องมือแพทย์ก็ดีโรงพยาบาลก็ดีหลวงพ่อจึงได้ช่วยทั้ง การศึกษาทั้งโรงพยาบาลด้วยและก็พร้อมการวัดวาศาสนาก็เป็นเครื่องอบรมทางด้านจิตใจอันนี้ก็ควรไปพร้อมกันเหมือนกันถ้าไม่มีศีลธรรมจริยธรรมไม่มีคุณธรรมไม่ได้เข้าศึกษาธรรมะอบรมธรรมะในพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ห่างเหินจากธรรมะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นทั้งสอย่าง การศึกษาก็ดีการพยาบาลก็ดีและวว่าการศึกษาอบรมธรรมะทางด้านจิตใจก็ดีหลวงพ่อว่ามันจำเป็นด้วยกันแต่อย่างอื่นก็มีไหมก็มีมากจุเพราะว่าประเทศชาติของเราต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยท้องอาหารการบริโภเ อ, อ, อย่างนั้นก็มอบให้กับทางรัฐบาลซะถ้าหากว่าสวนที่เราพอจะช่วยได้หลวงพ่อก็ยินดี เข้ามาช่วยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งว่าจงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้คือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพานก่อนที่จะหมดก่อนที่จะหยุดพูดตอนที่พระ อ, องค์จะปรินิพานในวันนั้นพระ อ, องค์สั่งเสียพุทธบริษัทว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดไม่ตรัสอะไรอีกต่อไปประโยชน์ตนก็นเนี่ยอย่าให้ขาดตัวปกพ้องเราเป็นอยู่อย่างไรรักษาศีลภาวนาประกอบคุณงามความดีสำ ม, มาชีพของเราเราก็หมั่นขยันในการดูแลตนเองให้อย่าให้ขาดตกปกพ้องอันนี้ประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่านเราก็มองไปว่าเราจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรได้บ้างอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเรา เป็นพุทธถ้าภาสีจะเป็นพุทธพจน์ของพระพุทธจ้าที่สั่งเสียพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเน้อที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนี่แหละอาคารความเป็นมาของอาคารหลังนี้นะหลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างอื่นเมื่อมอบไปแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของพวกเรากับลูกหลานของพวกเราเจากนั้นก็ให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ดูแลรักษา มาอยู่ที่นี่มอบให้ท่านผ อ, อ, อนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายช่วยกันดูแลและกัพัฒนาประเทศชาติดูแลลูกหลานของเราให้เป็นทรัพยากรที่ดีเพราะว่ า, เ, าเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเราก็เข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนี่พวกเราน่าจะเป็นพี่น่าจะเป็นจ่าฝูงนะาการสอนก็นดีการแนะนําอบรมแนะนําสั่งสอนลูกหลานของเราพอดีอควรจะ เข้มข้นขึ้นไปนะควรจะสั่งสอนให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีจริธรรมมีจริยธรรมที่ดเีเพราะว่าประเทศไทยของเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนะพวกเราจะเป็นคนน่าจะเป็นจ่าฝูงนะแต่ถ้าว่าพวกเราอ่อนแ อ, อมีแต่การทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มีแต่ไม่แนะนําสั่งสอนลูกหลานของเราพวกเราเภาษาก็อ่อนกว่าเขานะ ต, ตามไม่จริงภาษาอ่อนกว่าเขาแล้วนะหลวงพ่อว่านะเพราะว่าเขาเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติอย่างสิงคโปร์อินโดมาเลพมาม่า อ, อย่างลาวเขมรเวียดนาม เ, เขาเคยเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นเขาต้องภาษาของเก่งเก่งกว่าเราอยู่แล้วนะเพราะเขาได้เรียนมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ถึงยังไงก็เถอะนะท่าเรามีความหมั่นขยันเราก็ไม่แพ้เขาเหมือนกันนั่นแหะ เ, เมื่อเรารู้จักว่าจุดไหนเราอ่อนเราก็พยายามทำให้จุดนั้นให้แข็งขึ้นถึงพวกเราจะมีหลักวิชาความรู้ฉลาดขนาดไหนรู้ขนาดไหนแต่ภาษาของเรานี่อ่อนนะ เ, เราก็ยังเป็นลูกน้องเขานะ เ, เวลาเราไปสมัครงานไปทำงาน เ, เราไปพูดกับฝรั่งไม่ได้คำเมนลาวพอพูดได้เราก็ต้องเป็นลูกน้องเขานะี่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนะั้นเรื่องภาษาก็จาเป็นและสาคัญ วั น, นั้นขอฝากไว้กับพวกคณะครูบาอาจารย์พวกหมู่พวกเราในการเรียนในการสอนลูกหลานอย่าให้ด้อยกว่าเขาในสรุปแล้วถึงหลวงพ่อจะอยู่ในป่าดงพงพยายนะั่นแต่ใจของหลวงพ่อเนี่ช่วยเหลือชุมชนสังคมไม่ได้แพ้พวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันถ้าหาว่าหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อช่วยอะไรบ้างในชุมชนสังคมหลงลําโรงเรียนแต่ในเขตน้องสูงคําจีมุกดาหารเนี่ย ถ้าว่าผู้ใดเพิ่งเข้ามาใหม่ก็คงจะยังไม่รู้นะแต่ถ้ากับผู้อยู่เก่าแล้วก็คงจะรู้ได้ว่าหลวงพ่อได้มาช่วยกับให้ช่วยในชุมชนในกลุ่มของพวกเราเนี่ยไม่ได้แพ้ใครเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณาจัรยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอยู่นัตตฐานที่ใดให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีมีแต่ความเจริญมีแต่ความฝาสุขถ้าอยู่ด้วยกันมีแต่โลภโหโมดมีแต่ มีแต่โอบพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันอิจฉาพยาบาทกันอยู่ที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนพนวันนะขน้าราชกาญาติโยกลูกหลานนะอยู่นักสถานที่ใดมีน้ําใจต่อกันมีเมตตาต่อกันมีศีลมีธรรมอยู่ที่ใดร่มเย็นเป็นจุขทั้งหมดนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก่อนที่จะรับศีลให้พวกเราตรวจตราดูซิว่าเป็นยังไงที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเตือนพวกเราท่านทั้งหลาย ควรจะไหว้พระควรจะมีศีลห้าควรจะจุดดื่มสุราในพรรษาอย่างนี้เป็นต้นนะมีหลายๆอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังแต่ถึอยังไงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งหมดอย่าเพิ่งเชื่อฟังเอาไว้นะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนสารีบร ท, ที่ตถาคตตรัสไปนี้พูดไปนี้เธอเชื่อไหม ภาษาลิบุตรว่ายังก่อนพระเจ้าข่ายังไม่เชื่อยังไม่เชื่อก่อนพระเจ้าข่าพระสงฆ์ทั้งหลายก็ว่าโอ้ภาษาริบุตรหัวแข็งหัวเรื่อหัวนัดทะลงตนขนาดพระพุทธเจ้าพูดก็ยังไม่เชื่อฟังดูสิพวกเราภาษาริบุตรพระพุทธองค์บอกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายจงจําคําสาลิบุตรไว้เดี๋ยวเราจะถามอีกทําไมเธอจึงไม่เชื่อภาษาลิบุตรกราบทูลว่า เพราะข้าพระองค์ยังไม่ยังไม่ได้นําไปปรบทีปฏิบัติฟังไปแล้วยังไม่ได้นําไปปฏิบัติเมื่อนําปฏิบัติไปเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วเห็นผลเป็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ตรัสข้าพระพุทธเจ้าก็จะเชื่อเมื่อข่าวนั้นพระเจ้าข่านะ่นี่แหละอันนี้คือพระองค์พระพุทธเจ้าว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายควรเอาเอาตัวอย่างสารสาริบุตร เมื่อเราตถาคตพูดอะไรออกไปพวกเธอทั้งหลายอย่าเพิ่งเชื่อนำไปกันกรองไตรตรองพิจารณาเจ้ก่อนแล้วนำไปปฏิบัติเมื่อเห็นผลแล้วจึงค่อยเชื่อ น, ะนี่แหละหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาเสนาบกขีกาไห้บุกหลานศรัทธาญาติโยมนะเออเขาว่ามันขมขนาดไหนก็หวานกับหวานตามเขาเออทั้งที่มันหวานขนาดไหนเขาว่าขมกับขมตามเขาไม่ใช่นะ เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยฟังเอาไว้สื่อต่างๆทุกวันนี่น ะ, ะพอมีสื่ออะไรขึ้นมาพวกเราต้องวางฟังหูไว้หูไว้ก่อนฟังแม่งอันนี้คือพุทธนะขณะพระพุทธเจ้าตรัสภาษาลิบุตรยังไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะอันนี้สื่อต่างๆเป่าหูเข้ามาเราอย่าเพิ่งเชื่อเราต้องนิ่งไว้ก่อนพอนิ่งไว้ก่อนก็การกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลซะก่อน จากนั้นยังค่อยเชื่อนะมันเป็นตามความเป็นจริงนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะมันจริงนะถ้ามันไม่จริงนะเราไปเชื่อได้ยังไงเสียเสียหลักเสียศูนย์เสียพวกเราเองนะต่อเ น, นี้อไปหลวงพ่อยกับพระสงิ์จะอนุโมโทนาให้พรในืเนนืนน้อรับพรแล้วก็พร้อมกันอุนทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์คุณสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย